นิบั t นี้จะสแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการคือการตั้งสติตามระลึกถึงธรรมที่ทรงจะแน่ แสดงไว้ในช่วงสุดท้ายของสติปัฏฐานาสูตรมาสติปัฏฐานาสูตรนั้นธรรมปฏิบัติที่เป็นอุปกรณ์ในการพยายามศึกษาตามดูธรรมะก็คงใช้องค์ธรรมสามประการเช่นเดียวกันโดยใช้คำบาลีว่าอาตาปีสัมปชานโนสติปา คือมีความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตจนสามารถแผดเผากิเลสให้เกิดความร้าวรอนแล้วชนะกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวรังเอาไว้ให้ได้โดยอาศัยความเป็นผู้มีสติและสัมพ็จัญญะเพราะธรรมะตั้งสามประการนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายในฐานะที่ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะมานานก็จะพบว่า เวลาปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีธรรมสามข้อนี้อยู่ด้วยเพราะธรรมะอย่างนั้นแล้วจะไม่สามารถเคลื่อนไหวไปได้ข้อนี้ลองสังเกตในองค์อริมักทั้ง8ประการคือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบแลยความพยายามชอบตั้งสติชอบตั้งใจมั่นชอบนั้น ความเห็นชอบความนำดิดชอบต้องไม่ใช้ความเพียรพยายามการเจรจาชอบการทำงานการงานชอบความเพียรชอบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้การจะตั้งสติมั่นชอบตั้งสติระลึกชอบหรือตั้งสติสติมั่นชอบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ตัวความเพียรจึงมีลักษณะเป็นเครื่องขับเคลื่อนหรือเป็นตัวขับเคลื่อน ให้สามารถดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่บุคคลจะต้องการจะไปในที่ใดก็ตามหรือแม้แต่ในองค์ธรรมคืออิทธิบาททั้งสี่ประการที่มีการจำทรงกันแพร่หลายก็ท ร, รงเริ่มต้นด้วยคำว่าชันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นๆซึ่งเราจะต้องทำและวิิยะเพียงพยายามมันประกอบในสิ่งดนั้น อีตเอาใจใส่สนใจมุ่งมั่นในสิ่งนั้นและวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบในจริ่งนั้นจึงจะเห็นได้ว่าฉันทะถ้าเกิดขึ้นลอยลอยคือความพอใจเกิดขึ้นลอยลอยเช่นพอใจต่อความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามเช่นความพอใจในความสําเร็จในด้านการปฏิบัติสมาธิในการงานในการศึกษาในการสร้างสถานะตัวเองในความเจริญก้าวหน้าในวงราชการเป็นต้น ถ้ามีแต่ความพอใจเฉยๆมันก็อยู่ในโลกของความฝันแต่จะถึงก็สร้างโลกของตัวเองขึ้นมาคือฝันเพื่อกันไปเรื่อยๆเพราะจะไม่มีลักษณะขับเคลื่อนระขาดความเพียรพยายามการจะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการตามที่จะไขว่ควนก็เกิดขึ้นไม่ได้และแม้แต่ในพวกอินทรีย์ที่ได้เคยกล่าวมานานแล้วว่า เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาปฏิบัติธรรมะของบุคคลทั้งหลายเวลาพระพุทธเจ้าจะเทศน์สอนใครก็ตามจะมีการตรวจสอบอินทรีย์ของบุคคลผู้นั้นใช่ก่อนพอมีพื้นฐานเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างมีพื้นฐานในด้านความเชื่อเป็นยังไงจะต้องมีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยดมีการเพิ่มเติมขึ้นบ้างไหมซึงกรณีบางคนเราจะพบว่า ไปเาฟังพระพุทธเจ้าแล้วแกก็เริ่มใส่มาก่อนแล้วเมื่อมาถึงก็ฟังธรรมได้เลยแต่บรรลุรมรรคผลไปได้เลยสแสดงว่าศรัทธานั้นไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าจะต้องเพิ่มความเพียรพยายามในการฟังในการคิดในการพิิจารณาขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะบรรลุมรรคผลได้แต่ในผู้อินทรีย์ตั้งห้าประการนั้นเองก็มีความเพียรมีสติมีสัมมาจัณฑะเพียงแต่แยกออกเป็น วิริยินทร์สอินทรีย์คือความเพียรสตินร์สอินทรีย์คือสติปัญญินทร์สีอินทรีย์คือปัญญาปัญญากับสัมปชัญญะนั้นเป็นธรรมะองค์เดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อแตกต่างกันเท่านั้นแล้วแม้ในองค์ธรรมที่ออกจะสำคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งจงแสดงว่าเป็นองค์ธรรมที่จะนําบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัดสรุธรรม จะมีอยูเจ็ดประกาศในกันนั้นไปเริ่มต้นมันก็ปรากฏว่าเป็นสติเป็นธรรมวิจยะเป็นวิริยะแต่ธรรมวิจยะที่จริงมันก็คือความคือการใช้ปัญญาพินิจนาป็าก็คือสัมปชัญญะนั่นเองวิริยะสัมพชโพชงก็คือความเพียรตัลงว่าองค์ธรรมทั้งสามข้อนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามให้เราสังเกตแม้จะเขียนหนังสือแม้จะรับประทานอาหารแม้จะปฏิบัติภารกิจการงาน ในชีวิตประจำวันของเราถึงบุคคลจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะคือสติสัมปชัญญะและความเพียรแต่ว่าการแสดงออกของบุคคลเหล่านั้นก็คืออาการของสติสัมปชัญญะและความเพียรถ้าหากว่าไม่มีความผิดพลาดเช่นสมมติว่าเรานึกจะเขียนหนังสือก็เป็นอาการของสติรู้ว่าตัวนี้เขียนยังไงก็เป็นอาการของสัมปชัญญะ ให้เขียนลงไปตามที่เราลึกรู้ก็เป็นอาการของความเพียรเราลึกว่าจะรับประทานอาหารรู้ว่า ร, รับประทานอย่างไรแล้วก็พยายามตักอาหารเหล่านั้นออกมาแล้วส่งเข้าปากแล้วก็เคี้ยวแต่ละอย่างนั้นเป็นอาการต่อเนื่องของสติสัมปชัญญะความเพียรที่ต่อเนื่องกันไปและในขณะที่เรารับประทานอาหารอยู่ยนั้นเองมสังเกตว่าบางครั้งสติสัมปชัญญะเกิดระลึกรู้ว่ามันมีก้างปนไปมันมีสิ่งไม่ดีปนเข้าไป ความเพียรก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเอาถึงนั้นออกมาโดยอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นตัวระลึกงานก็มีการประสานสัมพันธ์การอย่างต่อเนื่องด้านการที่จะเพิ่มพูมให้เกิดเป็นความเพียรพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงลักษณะอาการของความเพียรไว้ในที่ต่างๆโดยชื่อที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่บุคคลจะทําในกรณีดนั้น พผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลไม่ว่าจะเป็นผลเรื่องอะไรก็ตามแม้จะหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องอาศัยความเพียรแล้วจะไม่มีความเพียร น, นั้นไม่ได้เลยเพียงว่าต้องเพียรมากหรือเพียร น, น้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เนื่องจากในกรณีของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นความเพียรพยายามที่จะต่อต้านอารมณ์คือกิเลสซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันภายในจิตใจคน บางครั้งก็อาจจะมีมากกว่าธรรมะจะเลยทำไปคราวนี้บุคคลสามารถตรวจสอบในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของตนเองได้หรือแม้ในแต่ละชั่วโมงของตนเองได้เพราะในช่วงที่ทำงานนั้นลองดูสิระหว่างความเพียรกับความเกียจคร้านนั้นใครมากกว่าแล่เราก็จะพบความจริงว่าบางครั้งนั้นชั่วโมงในการทางานมันน่าจะได้มากกว่านั้น แต่พอดีชั่วโมงนั้นความเกียดคร้านแกมากกว่าเลยงานได้นิดเดียวต่อมาอีกวันหนึ่งเกิดความหมั่นขยันโนจิงเขาจังขึ้นทํางานได้มากทั้งทั้งที่ชั่วโมงเท่ากันความปรากฏของงานผลงานที่ปรากฏนั้นสะท้อนกลับไปสู่จิตของบุคคลในขณะที่ทํางานว่ามีความเกียดคร้านมากหรือมาห ร, อหรือว่ามีความเพียรมากมันก็ออกมาในรูปงานที่เป็นรูปธรรมต่างๆ คือบางครั้งแม้เราจะอ่านหนังสือเราก็สังเกตได้ด้วยตัวของเราเองว่าบางครั้งชั่วโมงดีเราอ่านหนังสือได้ทั้งหลายใบคือก็มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องนั้นได้ดีแสดงว่าสติสัมปชัญญะความเพียร น, นั้นทํางานหนุนกันอย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งปรากฏว่าชั่ ว, วโมงเวลาเท่ากันแต่อ่านหนังสือได้นิดเดียวแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเราก็แสดงเหตุว่าอิทธิพลข่ายตรงกันข้ามคือความเผอเรอ การขาดปัญญาพินิจพิจารณาการขาดความเพียรพยายามนั้นมีกลังมากจนก ล, กลายเป็นอาการเกียดครนันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเวลาแก่ไม่รอเราแต่เนื่องจากในช่วงนั้นเราถูกสยบไว้เดิมนาจของกิเลสพอเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่า ง, งานเหลืองานได้มานิดเดียวแต่นั้นเองนี่คือลักษณะของจิตที่เป็นการเชียเห็นว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าธรรมะเหล่านั้นเขาเรียกว่าอะไรก็ได้ เพราะการเรียกชื่อธรรมะเป็นการเรียกจากภาษาบาลีแตลเราไปภาษาอื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้แต่โดยสภาวะที่ทําหน้าที่ระลึกทําหน้าที่รู้ทําหน้าที่ขับเคลื่อนหรือผลักดันให้เกิดการก้าวรุดไปข้างหน้านั้นภาษาธรรมะทันทีวณสติสมัมปชัญญะความเพียรแต่ในที่นี้พึงสังเกตว่าทรงใช้คําว่าความเพียรนําไว้ข้างหน้า ทำไมจึงใช้คําว่าอะอัตตาปีคือความเพียรเอาไว้ข้างหน้าเพราะว่าธรรมะที่จะต้องปฏิบัตินั้นทรงแสดงไว้แล้วเพียงแต่ว่าในขณะที่ใช้ความเพียรพยายามจะต้องเพียรพยายามอย่างมีสติสมัมปชัญญะในชั้นของการกําหนดระลึกซึ่งเป็นงานแบบสมถะกรรมฐา น, ฐานก็ใช้สติเป็นตัวนําสมัมปชัญญะเป็นตัวคุมความเพียรเป็นตัวผลักดัน ให้เกิดการก้ารุดไปข้างหน้าดังลักษณะของกรรมฐานสายสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีท่านสาธุชนจะเห็นว่าบางครั้งเราก็เพียรพยายามไปอย่างนั้นจะนั่งภาวนาวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่รู้สักกี่ชั่วโมงแสดงว่าในขณะนั้นสติก็ระลึกอยู่ที่พุทโธสมชาัญญ์ก็รู้ว่าเรากํำลังภาวนาวพุทโธความเพียรก็ผลักดันให้เกิดการภาวนาไปเรื่อย แล้บางครั้งเมื่อภาวนาไปภาวนาไ ป, าาไปทุกเวทนาเกิดขึ้นเสียดแทงใจบ้างเสียดแทงกายบ้างก็ความเพียรพยายามต้องเพิ่มขึ้นต้องมีความอดกลั้นต้องมีความอดทนต้องมีความรู้จักข่มใจหากข้ามใจตัวเองเอาไว้การปรฏิบับติของบุคคลเหล่านั้นจึงจะก้าวรุดไปข้างหน้าได้แต่ถ้ากำลังความเพียรพยายามเกิดหย่อนลงไป อาจจะนั่งไปได้หน่อยเดียวแล้วก็เลิกดีกว่าในสุดผลที่เราต้องการก็เกิดขึ้นไม่ได้ความเพียรที่ส่งแสดงไว้ในภาษาบาลีนั้นจึงมีมากกันบางครั้งส่งแสดงไว้โดยสรุปว่าบุคคลพึงภาคเพียรไปจนกว่าจะสาเร็จประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ที่เรามุ่งมากปรารถนาในการทำงานของเราแต่ต้องเป็นความเพียรในทางที่ดี กใ็ใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการและแม้ในตอนสุดท้ายที่เราเรียกว่าปัจฉิมโอวาทหรือปัจฉิมพุทธกุก็ทรงเน้นหนักไปในเรื่องความเพียรสติและสา ม, มัญญนะอย่างที่รับสั่งไว้ว่าดูก่อนผู้เห็นภัยในสังสารวัตทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายทราบไว้ สังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเป็นสาธารณชนทั้งหลายเห็นว่าการสะท้อนภาพของสังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมความสลายไปเป็นธรรมดานั้นมันเป็นธรรมะอยู่แล้วแต่บุคคลจะต้องมีสติระลึกมีสัมมัชย์ยะมีปัญญาเพ่งพินิษฐ์พิจารณาให้เห็นว่าที่ทรงแสดงไว้จริงหรือเปล่า ้องให้เกิดเห็นความจริงโดดนั้นเห็นลักษณะของความเกิดดับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะจิตของเราในขณะลมหายใจของเราในชีวิตของเราในการรับประทานอาหารในการอะไรต่างๆเราจะเห็นว่ามีลักษณะเกิดดับกันไปอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่เห็นในช่วงสั้นๆเราจะต้องมองให้เห็นในช่วงยาวๆเช่นในช่วงของความแก่ ที่เราเปลี่ยนแปลงไปในเชิงรูปร่างต่างๆเปลี่ยนไปโดยดําดับแต่เพสังเกตว่าการมองในช่วงนี้ตอนต้นๆพระพุทธเจ้าให้มองคนแก่จริงๆโอคนแก่ที่หลังค่อมแล้วเดินยักแย่ยักยันไปข้างหน้ามีหลังโกงมีกระดูกมีเส้นเอ็นปรากฏมีผมเผ่ากอ ก, อกมีฟันหักมีตาผ้ามัวอะไรแต่ตางต้องเห็นตรงนั้นเลย พอถ้าไปดูที่ยังไม่แก่เท่าไหร่บางก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันพรกเจ้าเองถ้าไปดูที่แก่มากตอนเป็นพระโพธิสัตวก็เป็นดูคนแก่คนเจ็บคนตายเราจะเห็นว่าคนตายก็คนเจ็บก็เจ็บเกือบตายแล้วคนตายนั้นไม่ต้องห่วงคือตายแล้วคนแก่ก็แก่จริงๆแก่ขนาดทรงตัวไม่ค่อยได้เลยเพื่อจะเห็นประจักษ์ชัดแก่ใจในครั้งหนึ่งครั้งสองหรือสักยี่สบสามสิบครั้งอาจจะไม่เห็นก็ได้ คือไม่เห็นด้วยปัญญาณชอบตามความเป็นจริงจนเกิดมโนสติขึ้นมาหรือจนเกิดความเคารพคนแก่หรือการนับถือคนแก่ก็คิดไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็เก็บไว้ภายในใจเราโดยลำดับใน ล, ลักษณะของบารมีธรรมเป็นการเก็บขึ้นปุ๊บหนึ่งปุ๊บหนึ่งแม้แต่ชั่วขณะอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงแนวขณะซึ่งได้เคยกล่าวมาแล้วโดยลาดับเนี่ยคอยมาเกิดขึ้นสักขณะสองขณะก่อนก็เอา ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นรวดเร็วมากมายอะไรเช่นสมาธิมันก็มีขณิกะสมาธิตอนตอน้ตนๆก็ไม่ได้นเน้นว่าจะต้องมีสมาธิเป็นหลายๆนาทีหรือว่าเป็นชั่วๆโมงคอยมันเกิดขึ้นทีละขณะขณะเพราะอะไรเพราะชีวิตของเราจริงๆมันขณะหลายๆขณะมาต่อกันต่นนั้นเองมาต่อกันยาวมันก็กลายเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาที่จริงมันเรื่องขณะ ขณะที่มาต่อกันแล้วในขณะเหล่านั้นเองเราจะเห็นว่ามีอดีตอนาคตปัจจุบันปรากฏต่อเนื่องกันอยู่คือมองเห็นกันอยู่เช่นว่าวินาทีนี้ก็เป็นปัจจุบันวินาทีก่อนก็เป็นอนดีตวินาทีหน้าก็เป็นอนาคตมันปรากฏกันอยู่ในขณะนั้นเราก็มองเห็นกันว่าพวกนี้ถ้าแกไม่เกิดต่อกันเช่นสมมุติว่าวินาทีก่อนหายไปวินาทีใหม่กําลังดับไปวินาทีต่อมาไม่เกิด ชีวิตมันก็ดับแล้วลมหายใจของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นลมหายใจกล่าวก็ดับไปแล้วลมหายใจใหม่กำลังปรากฏถ้าลมหายใจต่อมาแก่ไม่ยอมเกิดขึ้นเราก็ดับก็พยายามคิดมองอะไรก็คิดไปเรื่อยพยายามไปเรื่อยสะสมไปโดยลําดับอาจจะไม่เห็นผลอะไรในขณะนั้นแต่นั้นคือสิ่งเรโรียกว่าบารมีคือเก็บสะสมไว้อยู่บ่อยๆ แล้วในที่สุดถึงวันหนึ่งก็จะเกิดเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเเห็นแจ้งตามความเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็ลังของความเพียรก็จะสูงขึ้นสติสัสมปชัญญะก็จะสูงขึ้นก็จะทํางานในภาระหน้าที่ของเก่าจนําบุคคลให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับนั้นๆจนถึงความทุกข์เป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรและแก่การบรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสนา แม้จะในชั้นต่ำสุดขึ้นไปจนถึงสูงสุดก็ตามกับชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามนันการปฏิบัติในลักษณะใช้ความเพียรจึงทรงสอนในที่เราเห็นเป็นรู ป, ปรธรรมบางครั้งทรงอุ ป, ปมาเมื่อก็ผานไถยลักษณะของผานไถยนั้นคือโมคือนาไปข้างหน้าเป็นตัวบุกตัวลุยไปข้างหน้าการจะไถได้หรือไม่ได้อาจจะมองแท็กเตอร์ก็ได้ก็มองง่ายดี คืออาจจะเจอหลุมอาจจะเจอบ่ออาจจะเจอก้อนอิฐก้อนหิ น, นอาจจะเจอตอไม้มีกำลังพอที่จะทำลายสิ่งนั้นได้ไหมถ้าไม่มีกำลังพอก็ต้องเพิ่มความเพียรขึ้นต้องเพิ่มเร็วแรงขึ้นเพราะทําให้จํานั้นก็หยุดอยู่ตรงนั้นเองแต่นั้นท่านยึงสอนสมัยโบราณมั็อุ ป, ปมาได้แค่ผ่านไถยแต่นั้นเองแต่สมัยปัจจุบันเราจะเห็นว่ารถ ที่เขาใช้ทําลายภูเขาทําลายป่าทําลายอะไรในปัจจุบันเป็นภาพที่มองเห็นได้ชัดว่าถ้ามันใหญ่สิ่งที่เป็นอุปสรรควากน้ําใหญ่รถที่จะนําไปใช้มันก็ต้องใหญ่ต้องแข็งแรงแต่ถ้ารถอย่างเล็กเหมือนเดิมไปเจอต่อใหญ่ข้าวมันก็ไปไม่ได้ลักษณะาการเพิ่มความเพียรมันก็เป็นเช่นเดียวกันบางอย่างก็ไม่ต้องใช้มากอะไร ตอนตนอนใกล้ๆก็หยิบของหนักกับหยิบของเบาเราก็ใช้แรงเหมือนกันแต่ใช้แรงไม่เท่ากันหยิบของขนาดนี้ใช้แรงขนาดนี้ก็ได้แล้วแต่ของก็หนักขึ้นแต่ใช้แรงเท่าเดิมก็หยิบไม่ได้บางครั้งเราก็หยิบด้วยสองนิ้วได้แต่บางครั้งเราหยิบมือเดียวได้บางครั้งต้องหยิบสองมือบางครั้งสองมือก็ไม่ได้นี่แสดงว่าแรงก็ต้องเพิ่มขึ้นดึงลักษณะแรงเพิ่มขึ้นบางครั้งก็มีการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น อย่างที่เคยยกตัวอย่างมาว่าเวลาภิกษุก็ตามภิษุนีก็ตามท่านปฏิบัติมาถึงจุดทเห็นความเกิดดับในลักษณะที่ฉี่ยิบตอนปกติจะเกิดความกลัวคือเห็นอาการปลาของความตายก็ดีอะไรมันปรากฏอยู่เฉพาะหน้าหรือมองลคล้ายๆกระเรือนที่ถูกไฟไหม้มันลา ม, มาเร็วแล้วกันเป็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่ฉี่ยิบมากแลวจะเกิดความกลัว ต้องการจะถอยหนีนะไอถอยหนีนั้นบางทีถ้าขาดสติสมัญญะมึงก็กลัวอะไรแล้วก็หนีโดยขาดสติสมัญญะแทนที่จะเป็นประโยชน์อาจจะเกิดโทษมากกว่าไม่หนีได้ทำไปเพราะในช่วงนี้กําลังสติสมัญญะความเพียร น, นั้นอาจจะไม่ไปในทิทางที่ถูกที่ควรก็ได้พระเจ้าจะปรากฏประองมาชี้แจงแนะนําสั่งสอนให้ ซึ่งหมายความว่ากำลังความเพียรสติสมาธิ ญ, ญ, ญาของท่านรูปนั้นในขณะนั้นมีเหมือนกันแต่มีกำลังระดับนั้นไม่ได้หรือใช้ในระดับนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนก็ทำนองคล้ายๆการเล่นเล่นชักกระเยอะอะไรเนี่ยเล่นชักกระเยอะกันเราจะเห็นว่าบางครั้งคนอีกฝ่ายหนึ่งไม่มากก็พอสู้กันได้แต่บางทีฝ่ออายหนึ่งมันมาก พายเราก็ต้องมีคนเข้าไปช่วยแต่แม้นเราก็ต่อสู้ไม่ได้การต่อสู้กับกิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่าบางครั้งกําบังกิเลสแรงถ้าสติสมัมปชัญญะความเพียรของเรามีระดับนั้นจะไปสู้กับเขาระดับนั้นก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาช่วยอย่างเมื่อเทระระดับที่จะเป็นพระอระหันต์คือตอนนั้นยังไม่เป็นพระอระหันต์ถ้าก็ศึกษาเราเรียนเข้าใจอะไรอยู่มากเหมือนกัน จะไปเจอาอารมณ์บางอารมณ์ท่านเอาไม่อยู่ท่านสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องไปหาพระเถระผู้ใหญ่ที่ท่านช่วยได้ยังพระวังคีสะเป็นพระเถระระดับสี่พวก41รูปแรกสี่สามรูปแรกที่เป็นเขาเรียกเอตัคขะสาวกคือยอดของพระสาวกในตอนที่ท่านบวชใหม่ไปเจออารมณ์ที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจข้า ตอนตั้งที่ท่านพิจารณาเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดดับมีความปฏิกูลอะไรอยู่ระดับหนึ่งนั้นท่านคิดได้ท่านสู้ได้แต่พอเจออารมณ์ในลักษณะสร้างขึ้นเพื่อย่วยวนโดยเฉพาะจิตใจของท่านก็หวั่นไหวก็สู้ไม่ได้ท่านก็รีบมาหาพระอานุน์พระอนุนก็ช่วยชี้แจงแนะนําให้แล้วก็เสริมจากกําลังที่ท่านมีอยู่แล้ว บวกเข้ากับกำลังของพระอานนท์ที่เข้าไปสนับสนุนทั้งก็ต่อสู้กับอารมณ์เรานั้ได้เพราะฉะนั้นการใช้ความเพียรพยายามในแนวหนุนกันหรือว่าในแนวของเราเองมาสังเกตว่าถ้าเราเทียบกับความเพียรพยายามหรือแรงกายแรงใจของเราที่เราใช้ต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายหรือว่าทํางานทั้งหลายจะเห็นได้ชัดเจนมากว่าปริมาณการใช้ความเพียร น, นั้นไม่เหมือนกัน บางอย่างก็มากบางอย่างก็น้อยแต่แน่นอนทุกอย่างต้องใช้ความเพียรแม้หยิบจัดเศษกระดาษเศษเดียวก็ต้องใช้ความเพียรจะหายใจอึดเดียวก็ต้องใช้ความเพียรเพียงแต่ไม่ต้องเพียรมากเท่านั้นนั้นในองค์อริยมรรคพระพุทธเจ้าจึงเรียกความเพียรว่าวายามะคือความพยายามในลักษะที่คืบคลานไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆบางครั้งเป็นเรื่องใหญ่มากลักษณะต่อต้านคล้ายๆกับกระแสแรง ทรงใช้คำว่าดันหะปรักรมะคือความบากบันอย่างมั่นคงแน่วแน่ไม่ให้ถูกโยกคลอนหวั่นไหวมันในลักษณะคล้ายๆกันยันกันอยู่เนี่ยยันอะไรกันอยู่ถ้าเราอ่อนนิดเดียวเราพลาดนิดเดียวเราหลุดมือนิดเดียวหรือเท้าเราก้าวพลาดนิดเดียวเราล้มแล้วฉะนั้นในลักษณะนี้จึงทรงใช้คำว่าดันหะปรักรมะบากบันมั่นคงอยู่เป็นนิดแสดงว่าการต่อสู้กับอารมณ์ตอนนั้นแรงมากกิเลนนั้นแรงมากแต่เราพลาดเราก็ไปเลย ตัาว่าจะต้องมีคนอยู่จะต้องมีคนไปจะต้องให้กิเลสพ่ายแพ้ได้แต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามแบบเดิมหรือทำเรื่อยๆแบบเดิมมันก็สู้ไม่ได้จึงทรงใช้คําว่าดันหประปรักกมะแต่ว่าการทําในแนวนั้นไม่ใช่ว่าเจอแรงๆอยู่บ่อยๆถ้าเจอแรงๆบ่อยๆก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันจึงทรงใช้คําว่าป ร, รักรมะคือความบากบันบางคนบางครั้งไม่ต้องเอาจริงจังเท่าไหร่ก็ได้ แต่ว่าก็ต้องให้มีความบากบันด้วย ๆ, ๆบางกลัางทรงใช้คาใหม่ว่าเป็นอุทานะความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นรีบเร่งประกอบภารกิจการงานที่มาถึงเข้าก็ใช้ในกรณีทั่วไปในกรณีของความเพียรพยายามทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้ประกอบอาชีพก็ได้จนถึงระดับของกรรมฐานก็ได้บางครั้งทรงใช้คาว่า ชาคริยานุยกคือประกอบความเพียรในลักษณะที่ตื่นตัวอยู่เสมอโดยความเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอรู้ทันรู้รอบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเราจะต้องอยู่ในลักษณะตื่นตัวเพราะว่าการต่อสู้กับอำนาจของกิเลสนั้นเหมือนกับการเดินทางไปท่ามกลางสัตว์ ร, ร้ายทั้งหลาย ภาพความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมท่านสาธุชนหลายนึกได้ว่าต้องมีอาการระแวดระวงังมองซ้ายมองขวามีไว้พริบปฏิพานคอยสังเกตคอยพินิจพิจารณาจุดปัญหาต่างๆเสืออยู่ตรงไหนสิงโตอยู่ตรงไหนมีอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้จะปรากฏตัวมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เป็นลักษณะเดินไปในรูปของผู้ที่ตื่นภยัยตื่นตัวพร้อมที่จะไปเชิญปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้น ซึ่งการคำสอนในลักษณะนี้ก็จะทรงเน้นเป็นบทหลักเอาไว้ไวเรียกว่าชากริยานุโยคคือประกอบความเพียรด้วยความเป็นผู้ตื่นตัวอยู่ตลอดระยะเวลาก็ตํานองคลง้ายๆการขับรถขับอะไวรานะเห็นว่าต้องตื่นตัวตลอดเวลางิบเดียวก็แย่แล้วขาดสติไปหน่อยเดียวก็เกิดวบัติเหตุได้แล้ว วันคุณสมบัติเหล่านี้ออกก็จริงแล้วเราก็ทํากันอยู่ได้ในชีวิตประจําวันระดับหนึ่งเพียงแต่ดึงคุณสมบัติเหล่านั้นซึ่งเปรียบเหมือนน้าประปาที่มันอยู่ในท่อยางอยู่แล้วเราก็ใช้ล้างถนนอยู่เอามาใช้รดน้ําต้นไม้ได้ด้วยเอามาใช้ล้างพื้นเอามาใช้ในเรื่องอื่นได้ด้วยความเพียรพยายามก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเรามีอยู่แล้วเพียงแต่เราใช้ไปในเรื่องอื่น แม้ความเพียนพยายามที่ใช้จดจ่ออยู่หน้าจอโทรทัศน์ใช้จดจ่ออยู่ที่หนังสือใช้จดจ่ออยู่ที่การอ่านการฟังกา ร, าการทํางานต่งตางๆเป็นต้นมันก็คือเรื่องความเพียนพยายามมีลักษณะคล้ายๆกับ น, น้ําที่อยู่ในท่ อ, อยางแล้วแต่เราใช้ไปในจุดหนึ่งก็เวียงกลับมาใช้อีกจุดหนึ่งก็คงเป็นน้ําในท่ อ, อยางอย่นัเด่น เ, เพียงแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่กายที่ใจเน้นไปที่ใจเป็นประการสาคัญ เนื่องจากอาการเกิดขึ้นของกิเลสนั้นมาเกิดขึ้นเร็วและเกิดขึ้นมาในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะในเชิงของการระพฤติปฏิบัติระดับจิตใจแล้วลเราจะพบว่ากิเลสจะมาในรูปมิตรที่บรนจุ่งมีความสับสนมากคือเขาจะมาในรูปมิตรมีลักษณะเอื้ออาทรหวังดีสนุถนอมตัวเองพยายามที่จะปลุกปลอบตัวเองแก้ต่างให้แก่ตัวเองเส็จ แดต่อหากว่าเราไหวตามเขาเราทำตามเขาเราก็เลิกความเพียดไปอยา่างให้พึงสังเกตว่ากิเลสนั้นจะปรากฏในรูปมิตรไม่ปรากฏในรูปศัตรูเพราะปรากฏในรูปศัตรูจะทำให้เรารู้จักแกได้ชัดเจนแต่เมื่อปรากฏในรูปมิตรเราจะไม่รู้จักแกอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงให้เห็น ที่ท่านแสดงไว้เป็นรูปของปุกรลาทิฐานคือหมายความว่ากิเลสประเภทกิเลสสมานที่ปรากฏไปหาพระพุทธเจ้าหรือไปหาพระอรทั้งหลายนั้นจะมาในรูปมิตรทั้งหมดไม่มีใครปรากฏ ต, ตัวในรูปของสัโจโรแต่ว่าสติสัมมาจัญญาจะต้องระลึกรู้ความจริงว่าถ้าเป็นดังนั้นต่อเป็นจะต่อไปจะเป็นยังไงคือสามารถมองเข็นถึง สิ่งเหล่านั้นในรูปที่ว่าเป็นระบบหรือเป็นเหตุเป็นผลที่ทยอยกันไปได้อย่างต่อเนื่องและเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวินิจฉัยตัดสินวิเคราะห์ตรวจสอบลักษณะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นมิตรหรือเป็นมารถ้าเป็นมารก็ต้องกระจัดไปถ้าเป็นมิตรก็รับธรรมแล้วก็พยายามที่จะดําเนินไป แต่นั้นบางครั้งจึงทรงใช้คำว่าอารัฐะวิริโยวิหารตินี้ทรงใช้มากอารัฐะวิริโยวิหารติคืออยู่ด้วยความเพียรพยายามทั้งกลางคืนกลางวันในขณะต่างๆซึ่งในการพิพจารณาธรรมานั้นที่จริงเราก็ใช้ได้ตลอดเห็นเหตุการณ์ต่างๆอ่านข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเราจะเห็นอริยศาสตร์ได้ในใแต่ละจุด เห็นพฤติกรรมทารุณโหดร้ายต่างๆรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในโลกเราก็มองนั้นเป็นความทุกข์ความทรมานการพัดพราการสูญเสียซึ่งเป็นปากินกาคทุกที่จรมาเกิดขึ้นแก่คนกลุ่มนั้นแล้วษาไปถึงมูลเหตุที่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นก็จะเจอตัวกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเหล่านั้นหรือผู้สร้างปัญหาเหล่านั้นเราก็จะเห็นทั้งทุกทั้ ง, งสมุทไทยในขณะนั้น เราจะมีการถามใจตัวเองว่าต้งเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแก่เราแก่ครอบครัวของเราแก่ญาติมิตรองเราชอบ <skill. S 1> ไหมก็ไม่มีใครชอบไม่มีใครชอบก็มองกลับไปว่าความคิดเหล่านี้ที่จะเป็นเหตุสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในลักษณะนี้ของเรามีไหมถ้าไม่มีเราก็วางใจได้ว่าปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ว่ากิเลสในขณะที่ไม่มีก็ไม่มีแต่มันมีขึ้นมาได้ความเพียรพยายามในลักษณะที่ตื่นตัวในลักษณะที่อยู่ด้วยความเพียรพยายาม จึงจะต้องมีเป็นหลักกํากับโดยมีสติสมัมปันญะเป็นผู้นําเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินเรียกว่าเลึกรู้ถึงความจริงของอารมณ์เป็นต้นในขณะนั้นๆแล้วใช้ความเพียรพยายามปฏิบัติไปตามสมควรแกรณฑ์ณีซึ่งเมื่อเพียรพยายามไปแล้วจะออกมาในรูปของการป้องกันรูปของการบําบัดรูปของการบํารุงและรูปของการรักษา เป็นอาการที่ต่อเนื่องคือป้องกันสิ่งไม่ดีบำบัดสิ่งไม่ดีบำรุงสิ่งที่ดีและรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้ในสุดส่วไม่ดีก็จะลดไปส่วนดีก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้ น, นเป็นผลให้เกิดเป็นความสุขความสงบได้ตามสมควรในกา ร, รปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป